เราฟังกันสบายสบายก็จะดีนะเราฟังกันสบายสบายนะเราทําใจให้สบายสบายแล้วเราก็นั่งฟังธรรมะสบายสบายนั่งภาวนาไปด้วยก็ดีนั่งภาวนาไปด้วยนะตามแบบที่หลวงตาท่านสอนท่านบอกว่าถ้าเราจะนั่งฟังให้ได้ให้ได้ถ้าเราจะนั่งฟังเทศภาคปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ท่านบอกว่าให้นั่ง ปฏิบัติไปพร้อมๆกันให้นั่งไปให้นั่งปฏิบัติไปพร้อมๆกับฟังเทศไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจได้เลยเราจะเอาสักเท่าไหร่อเอาซักอเอาเพดานซักเท่าไหร่สี่สิบนาทีเนาะแะเหลือเวลานิดหน่อยสามทุ่มนิดหน่อยก็เลิก <c oughs> <c oughs> ให้เรานั่งนั่งภาวนาไปเลยนั่งภาวนาใครๆกํากับพุทธโธพุทธโธพุทธโธก็บริกรรมไปเลยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทก็กํากับภาวนาไปเลยบริกรรมไปเลยหลงตาท่านพูดเป็นประจำฟังเทศภาคปฏิบัติต้องฟังไปแล้วก็ภาวนาไปพร้อมกันในที่นี้ให้เราจับ ให้เราจับหลักสองสองอย่างอย่างหนึ่งคือให้เราตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือกำกับดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้เป็นการทำงานให้กับตัวเราเองทำงานด้วยเรียวแรงตั้งเจตจำนงด้วยตัวของตัวเราเองในขณะที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจนั่งฟังถ้ามันไม่อยู่กับคาว่าพุโทโธ มันตกไปจากพุทธโธให้มันไปอยู่กับคำเทศก็แล้วกันเอาคำเทศเป็นฉากหลังเอาคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธคือนั่งภาวนาไปเนี่เป็นฉากหน้าอพอมันตกไปจากพุทธโธไปอยู่กับคำเทศถ้าหากมันเกาะคำเทศก็ให้เราเกาะคำเทศไปให้มีสติมีสัมผััญญ ก, กํากับอยู่กับคำเทศอย่างนั้นก็ใช้ได้ แต่ท่ารู้สึกว่ามันจัดจ้างจา ง, จางเลือนลางจางไปก็ให้เรามากำหนดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธเราจะนั่งอยู่สักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเราก็อาจจักเขยื้อกันไปเขยื้อกันมานั่นแหล ะ, ะยกเว้นแต่คนที่ท่านทําจนชินมาแล้วเหมือนอย่างแม่ขาวเนี่ยแม่ขาวที่มาเพื่อนเปล่าเราไปฟังว่าเพื่อนนี่นั่งภาวนาปุ๊บเพื่อนสงบ ป, บปุ๊บปั๊บทันที กายเบาจิตเบาอันนี้คือเคยทำบ่อยทำบ่อยแล้วเป็นอย่างนี้มันมีมันมีท่าของมันมันมีล็อกของมันมันมีขีดขั้นของมันมันมีระดับอารมณ์ของมันเราเคยทำไปแล้วเป็นแต่เพียงเรากาหนดย่อนจิตมาปั๊บจิตมันก็จะเริ่มสงบอย่าลืมมันจะลืมตัวนะ อย่าพ่งอย่าพิ่งรีบลืมตัวพุโทโธพุธโทโธเข้าไว้พุโทโธเอาไว้เรานั่งยี่สิบนาทีสามสิบนาทีมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากถ้าเราไม่ใช้หลักนี้ถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยเราก็ฟังเราก็นั่งฟังไปใจก็ปล่อยล่องลอยไปเพราะว่าการฟังนี้เราไม่ได้ฟังสนุกไม่ได้เหมือนสนุกมันเราฟังเล่านิทานเราฟังเพื่อเป็นข้อปฏิบัต <c oughs> ดังที่ปราลบตั้งแต่ทีแรกนั่นแหละการรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญสมาธิรู้จักเจริญปัญญานี่เป็นหน้าที่พิเศษของมนุษย์มนุษย์เราถ้าไม่มีพิเศษหน้าที่พิเศษตรงนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มพูนทวีคูณคุณสมบัติให้กับตัวเองก็ได้ บางคนมีกรรมเก่าส่งมาดีแล้วเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบมีสติมีปัญญาสมประกอบหมดทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแต่ว่าภพชาติของความเป็นมนุษย์นี่แหละมันเป็นภพชาติที่โน้มเอียงไปได้ง่ายโน้มเอียงไปได้ง่ายมากบางครั้งกรรมเก่าส่งเรามาดีแล้วเราไปอยู่ในแวดล้อมที่ไม่ดีทาให้เราน้อมเอียงไปได้ง่าย แทนที่จะทำงานในที่ที่เด่นที่ที่สูงไปอาจจะทางานต่าต้อยลงไปบางทีจนขาดทุนศูนย์ดอกอยู่ไม่เท่าเดิมอยู่ไม่เท่าเดิมบางคนอาจจะมีกรรมเก่าสง่งมาไม่ค่อยดีแค่ได้คุณสมบัติมาเป็นมนุษย์สติปัญญาก็ครึ่งครกลางๆพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่ไปอยู่ในแวดล้อมที่ดีอยู่ในแวดล้อมที่ดี ความน้อมเอียงไปในทางที่ดีก็จะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นมันเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับจิตใจของตัวเองนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์จึงเป็นโลกที่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายอ่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เรามา เกี่ยวข้องอโอกาสที่เราจะสร้างกรรมดีหรือกรรมไม่ดีในปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องของเราเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอย่างนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นแวดล้อมที่ดีโดยมีผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการชื่ออะไรไม่ทราบ ร, รู้จักแค่ว่าดรหมูกับภรรยาเชื่ออะไรก็ไม่ทราบนี่ไปนิมนต์มาเพื่อให้ธรรมะอันนี้ บริษัทก็จำไม่ได้บริษัทอะไรนะบริษัทเวรีนาบริษัทเวรีนาเราทราบว่าเราทราบว่าบริษัทเกี่ยวกับอาหารอาหารเสริมคราวที่แล้วไปที่ทํามเต่าเห็นเอาไปเยอะแยะเลยไปกองไว้ชั้นจนเดี๋ยวนี้ยังไม่หมดสงสัยยังไม่หมดล่ะเราออกมาชั้นทีไรยังเห็นอยู่ อาหารเสริ ม, มนับว่าเป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรเป็นบริษัทที่ใหญ่พอสมควรมาเห็นตึกเห็นรามที่ทำการทำงานรู้สึกว่าใหญ่พอสมควรและที่สำคัญที่สุดเราไม่ลืมที่จะตั้งตรงนี้เป็นให้เป็นอนุสรให้กับพวกเรากับทุกๆคนที่มาเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้หรือญาติพี่น้องอยู่ในแม่แวดวงที่อยู่บริเวณใกล้ๆแถวนี้ เราจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาดริทำสล า, าสล า, าหลวงตาซะด้วยนะสร้างสลาํำลึกบุญคุณของหลวงตาจับจับหลักได้ดีมากหลักนี้จับแล้วปล่อยไม่ได้นะเป็นสล า, าที่ทำเพื่อํำลึกถึงบุญถึงคุณของหลวงตาเราพูดอยู่เสมอว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านเป็นบุคคลที่แสดงความเป็นพระ อรหันให้ปรากฏในโลกปัจจุบันหลงตารับสืบทอดมาหลงตาก็เป็นอีผู้หนึ่งแสดงความเป็นพระอรหันให้ปรากฏในโลกปัจจุบันอันนี้เราว่าตามท่านนะบางคนฟังแล้วอาจจะทึกจะคีดตะขวงในใจก็ได้แต่เราฟังแล้วเราได้กำลังใจพวกเราลูกศิษย์ลูกหาเราฟังแล้วเราได้กำลังใจ เพราะตลอดระยะเวลาหลวงตาท่านทาประโยชน์ให้กับชาติตั้งแต่นู่น249ยเกสบเป็นต้นมาหลวงตาท่านก็หมดพาระแล้วท่านทำงานทุกอย่างท่านทำงานด้วยจิตที่บริสุทธิ์จริงๆกิริยาอาการกระดุกกระดิกพลิกแผลงของท่านเป็นอันเป็นธรรมทั้งหมดอย่าลืมว่าจิตของใครก็ตามที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยกิริยาอาการ กายกรรมวะจีกรรมมโนกรรมของท่านเหล่านั้นบริสุทธิ์หมดจดทั้งหมดมีหลักฐานอ้างอิงมีสัจธรรมมาเกี่ยวขอ้องเป็นของจริงไปหมดถึงจะเทศเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาราคะเรื่องอะไรท่อะไรก็ตามมีหลักสักจธรรมปรากฏอยู่ในนั้นอพอเราฟังอย่างนี้พวกเราก็ได้กำลังใจเพื่อให้ชื่อซาลารำลึกหลงตา บุญคุณหลวงตามหาบุญยานสัมปันโนหลวงตาท่านทําประโยชน์ให้กับชาติไล่มาที่สองสี่เก้าสามมาจนเดียวเดียวสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่มันกี่ปีกี่ปีทั้งหมดอ๋ไม่ใช่หกสิบกว่าปีหละหลวงตาท่านทําประโยชน์อย่างนี้ตั้งหกสิบกว่าปีมาจปตนที่ท่านทํางานช่วยชาติอันนี้เป็นงานที่ใหญ่กว้างขวางมาก เป็นเหตุทําให้ท่านเนี่ยเอาธรรมะออกแจกจ่ายทั่วทุกภาคของประเทศท่านบอกว่าทำเอาทำนําหน้าพวกเงินพวกทองพวกอะไรที่จะเอาไปเข้าคลังหลวงนั้นเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองเท่ากับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นกากบุญเป็นกากบุญที่ท่านชักชวนให้พวกเราซึ่งเป็นพลเมืองของชาติสมัยที่ท่านออกมาตอนนั้นก็ถือว่าชาติของเราตกต่ำ ม, มากจนท่าน จนท่านไปยังไม่ได้บางงั้นเถอะอย่าลืมว่าตอนนั้นลุงตาท่านก็ป่วยเหมือนกันนะะท่านป่วยทีนี้บุญที่ท่านยังได้ช่วยเหลือชาติเนี่ยท่านหายกับหมอหมอเต้งไปไปมามาหมอเต้งนี่ไปก่อดลุงตาอีกหมอเต้งเนี่ยไป่อดลุงตานะ เ, า <c oughs> เป็นเหตุให้ลุงตาท่านมีท่านมีกําลังวางชามีเรี่ยวมีแรงทํางานมาก ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 40-41 มาจนถึงปี 47-48 มาจนถึงปี 47-48 กว่าท่านจะได้ปิดโครงการปิดโครงการตอนปีไหนกัไม่รู้นะ47หรือ48อไม่รู้นะ47หรือ48แต่ท่านกข้ประเทศอยู่เรื่อยๆเป็นปิดโครงการช่วยชาติแต่เป็นโครงการอะไรน้ํำซับน้ําซึมอะไรของท่านไม่รู้นะทำมาเรื่อยๆอ ทำมาเรื่อยๆจนจนวราระสุดท้ายของท่านนั่นแหละได้มากได้น้อยได้เท่าไหร่ทั้งกับช่วยสังคมทั้งหมดเรามาคิดดูแต่พินัยกรรมของท่านแต่พินัยกรรมของท่านท่านเห็นว่างานศพ ท, ท, ท, ท, ทุกทุกงานศพที่ท่านไปเห็นเนี่ยมันจะมีการจะมีจะมีพนคนไปทําบุญท่านตั้งพินัยพินยกรรมเอาไว้งานบุญงานศพของท่านเนี่ย งินทุบบาททุกสตางท่านจะเอาเข้าคลังหลวงหรือไม่ก็เอาซื้อทองเข้าคลังหลวงนี่มันเป็นการตั้งพิธีกรรมที่ที่แตกต่างจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังมันเป็นงานใหญ่เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับผู้ใหญ่จริงๆโอกาสที่คนจะมาลบรอยอยากกันน ะ, ะบุญบารมีที่หลวงตาทำเราเคยพูดอยู่เรื่อยๆว่าถึงแม้ว่าจะมีคนมีเงินเป็นแสนล้าน มาซื้อทองคำเข้าคลังหลวงยี่สิบตันเนียซึ่งมากกว่าขลุงตาลงตาท่านหาได้แค่สิบสามตันสิบสามตันนี่คือลูกศิษย์ลูกหาหาเพิ่มเข้าไปอีกนะลุงปุรีจนได้ครบสิบสามตันถึงแม้ว่าจะมีคนมีเงินแสนล้านเนี่ยมาซื้อทองคำเข้าคลังหลวงยี่สิบตันเนี่ยมากกว่าลุงตาแต่ก็ยังสู้หลงตาไม่ได้เพราะลวงตาท่านไปเก็บมาจากพวกเราเนี่ยคนละบาทคนละสลึง อ่ะบาททองนะบาททองอเป็นเป็นบาททองเป็นเป็นบาทเป็นสลึงเป็นกิโลเป็น5กิโลเป็น10กิโลท่านไปหาเก็บมาหมดละจากนั้นบางคนไม่มีทองก็เอาปัจจัยมารวมแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้รวมได้รวมได้ก็เอาไปซื้อทองเอาไปซื้อทองจนมีคนเขาพูดถึงว่าเวลาเอาทองไปหลอมเนี่ยเนื่องจากมาหลายๆคน ปกติทองเขาก็ไปใส่ไปใส่แล้วก็มันถูกเหงื่อถูกอะไรแล้วมันมีกลิ่นเวลาเอาไปหลอมแล้วมีกลิ่นไอขึ้นมามีกลิ่นคือกลิ่นคนนั่นแหละกลิ่นคนที่เขาใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองรูปประพันธุ์มีกลิ่นขึ้นมามีคนเ้าเล่าให้ฟังว่ากลิ่นก็กลิ่นคนนั่แหละนี่คือเรี่ยวแรงเรียวแรงน้ําพักน้ําแรงของพวกเราเสียสละเอาสิ่งเหล่านี้บูชาหลวงตา ที่สำคัญที่สุดก็คือหลวงตาท่านเป็นบุคคลเช่นไรเราได้ทำบุญกับท่านใครเคยเกี่ยวข้องเคยผูกพันเคยทำบุญเคยเกี่ยวข้องกับหลวงตาเราลึกไว้ได้เลยเราลึกไว้ได้เลยเลึกถึงบุญคุณของหลวงตาเมื่อเราลึกถึงหลวงตาหลวงตาท่านก็เป็นพระสงฆ์สาวกไม่ใช่พระสงฆ์สาวกธรรมดาเป็นพระอริยสาวก พระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกและเป็นผู้อุ้มชูพระธรรมเป็นผู้อุ้มชูอุ้มชูธรรมธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละหลังจากพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วธรรมะคาสั่งสอนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่ยือยู่สืบเรื่องมาจนถึงพวกเราปัจจุบันนี้ธรรมะเหล่านั้นอ า, อาศัย ธรรมะเกิดขึ้นในหัวใจของพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกโดยเหตุที่ท่านเข้าถึงธรรมประยัดปฏิบัติปฏิเวทท่านเป็นผู้ทรง ป, ปฏิเวธธรรมเต็มเปี่ยมในหัวใจอ่เต็มเปี่ยมในหัวใจรักษาพระธรรมอันนี้เป็นบริสุทธิ์พุทธโธมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงพวกเราปัจจุบันทําให้ธรรมะทำให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย แก่นแท้สืบทอดมาจนถึงพวกเราอย่างสมัยทุกวันนี้เป็นสมัยที่พวกเรายัางรักษาศีลประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมเจริญอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ตราบใดที่ยังมีการเจริญอยู่พระอรหันจะไม่สูญประกบไปจากโลกอันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงทระทรงตรัสเอาไว้ท่านทรงตรัสเอาไว้เดี๋ยวนี้มีคนมีคนเขาพูดว่าพระสงค์เราเนี่ย ไม่ค่อยเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงมาเผยแผ่เอาแต่คําสอนของพระสาวกมาเผยแผ่เอาแต่คําสอนของพระสาวกมาเผยแผ่แท้ที่จริงคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะได้จดจารึกเรามาคิดดูสิสมถังขยานาก็ยังไม่มีการจดจารึกสังขยานาครั้งที่หนึ่งยังไม่มีการจดจารึกสังขยนาครั้งที่สองก็ยังไม่มีการจดจารึกอ น่าจะเป็นสังคายนาครั้งที่สามหรือเปล่ามีการจดจารึกทีนี้พระธรรมอันบริสุทธ์เหล่านั้นสืบเนื่องมาได้อย่างไรก็สืบเนื่องมาจากหัวใจของพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านเข้าถึงธรรมผู้ที่ท่นานเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยเป็นของแท้ทั้งหมดไม่มีของปลอมละเป็นของแท้ทั้งหมดธรรมะที่พุทธเจ้าท่านเอามาสอนพวกเรานั้นนะ่ะเท่ากับใบไม้ในกำมือเท่านั้นเอง ท่านเป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะที่ท่านไม่ได้เอามาสอนเนี่ยเท่าเทียบเท่ากับใบไม้ในป่ามากมายมหาศาลแค่ท่านเอาคําสอนของท่านเท่ากับใบไม้ในกำมือเนี่ยมาสอนพวกเราพอพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราสามารถเข้าถึงธรมง ร, งม ร, งธรมของพระองค์ได้เมื่อเราเข้าถึงธรรมของพระองค์ได้เป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัน เราสามารถเห็นใบไม้ในกำมือของพระพุทธเจ้าเราก็รู้จักใบไม้อยู่นอกกำมือของพระพุทธเจ้าเราก็รู้จักครูบาอาจารย์ที่สอนพวกเราเนี่ยเหมือนอย่างหลวงปู่เสาท่านไม่ได้เรียนรู้หลักพระไตรไปิฎกอะไรมากมายท่านสอนพุทโธพุทโธพุทโธเป็นภาคปฏิบัติเวลาถามว่าพุทโธแล้วได้อะไรพุทโธแล้วเห็นอะไรท่านบอกว่าไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้องถาม เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นจะต้องตั้งใจตั้งใจทําซ้ําๆตั้งใจทําอย่างยิ่งยวดไม่ใช่ทำทำทำแล้วก็หยุดทําทำแล้วก็หยุดทำทำแล้วก็หยุดทําจนเห็นเหตุทําจนเห็นผลทําจนเห็นเห็นเหตุเห็นผลเพราะฉะนั้นคําพูดคําสอนที่เป็นอัดเป็นธรรมที่ท่านเอามาพูดมาบอกมาสอนนั้นท่านสามารถเอาแค่คําว่าพุทโธพุทโธไปบริกรรม จนกิตของท่านนเข้าถึงธรรมสามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงออกจากหัวใจได้ตามพระพุทธเจ้าไปท่านอาจจะเอาธรรมะคสอนหรือท่านอาจจะให้ท่านอาจจะเอาธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็ได้อาจจะเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาสอนเราก็ได้ก็เพราะว่าถ้าใครเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยก็สามารถ รู้จักใบไม้ในกำมือของพระพุทธเจ้าก็รู้จักใบไม้นอกกำมือของพระพุทธเจ้าซึ่งเท่ากับใบประดู่ลายในป่าเต็มไปหมดก็สามารถรู้จักได้เพราะฉะนั้นเวลาเรามาพูดพูดอะไรที่มันแตกต่างไปจากาไปจากหลักในพระไตรปิฎกเขาก็มักจะตีพวกเราว่าพวกเราพูดผิดพูทธะผิดเขาจึงไม่แน่ใจว่าพระสาวกทุกวันเนี่ย มาได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเอาคําสอนของระษาวอกมาสอนก็เหมือนอย่างพวกเราพูดตามหลวงตาพูดตามหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านสอนให้ว่าพุโทโธพุธโทโธพวกเราก็ว่าตามแล้วก็บริกรรมตามเราก็ทําตามแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้พวกเรารักษาศีลทํากิจในรักความสงบเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาแม้แต่เราบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธ เขาก็พูดได้ว่าพุทธโธเนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ท่องหรือเปล่าเป็นพุทธพจน์หรือเปล่าเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยมาอย่างนี้ที่แท้จริงรูปติเจ้าท่านให้เอาบทใดก็ตามมาบริกา ร, รบริกรรมให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วแล้วมันก็เป็นสมถะได้เมื่อจิตสงบแล้วก็เป็นสมถะไ ด, ถได้ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าจิตสงบ จะเป็นจิตที่มีกำลังเอาจิตที่สงบที่มีกำลังนี่แหละพิจารณาให้เกิดปัญญาเราจะเอาอะไรมาพิจารณาให้เกิดปัญญาก็ได้อ่าเอารูปประรรมในร่างกายของเรามาพิจารณาก็ได้เอานามธรรมาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณาให้เกิดปัญญาก็ได้ เ, เพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อพิจารณาไปแล้วเกิดปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นถูก พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วไม่จะไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกบททุกอย่างมาพูดมาบอกมาสอนเดี๋ยวนี้เขาตีเขาจอมตีไปอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ว่าพวกเราว่าไม่รู้ว่าผิดหรือว่าถูกอสอนแล้วไม่รู้สอนผิดหรือสอนถูกบางทีก็มรมรลุธรมรมบรรลุธรรมบรรลุบรรลุผิดหรือมรรลุถูกอเขาเอามาว่ากัน แต่ว่ากรุบายจารย์ของพวกเราท่านไม่สงสัยแล้วความโลภหมดไปจากหัวใจของท่านความโกรธความหลงอวิชชาตันหาปาฏานหมดจดไปจากหัวใจของท่านโดยสิ้นเชิงกิเลสในหัวใจของท่านสะอาดเกลี้ยงกล่ำหมดจดพระศิจากพบพระสิษจากชาติพระศิษฐ์กองทุกกองโทษที่จะมาบัดในวัฏสงสารหมดพบหมดชาติเนี่ยท่านไม่สงสัยแล้ว แต่สําหรับผู้ที่สงสัยผู้เข้าไม่ถึงถึงแม้ว่าจะมีจะมีการเรียนศัพทธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ตามถ้ายัางไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็คือเรียนของจริงของพระพุทธเจ้าของจริงของพระสงฆ์สาวกแต่มันยังเป็นของปลอมสําหรับเรานั่นเองอยังเป็นของปลอมสําหรับเรานี่พวกเราตั้งใจฟังตั้งใจฟังแล้วก็ คงไม่เกินหลักของฐานของศีลของสมาธิของปัญญาขอให้เราตั้งอกตั้งใจ ท, ทําเถอะตั้งใจรักษาศีลก็เพราะศีลนเนี่ยตั้งใจรักษาเพื่อระ ง, งับดับกิเลสที่มันจะมาแสดงกายกรรมไวจีกรรมการตั้งใจรักษาศีลนั้นสามารถระงับกิเลสที่มันจะมาแสดงที่กายที่วิจาของเราถ้าหากเราไม่มีศีลเราอาจจะไปล่วงละเมิดด้วยกายกรรมด้วยไวจีกรรมของเราไปได้ เพได้เมื่อกิเลสมันมาแสดงทางกิริยากายกิริยาวิจารของเราไม่ได้อ่าด้วยเหตุที่เรารักษาศินมันก็แสดงที่ใจที่ใจของเรานะั้นมันโดดมันดิ้นเพราะกิเลสในหัวใจของเรามันมีอ่ามันนึกมันคิดไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสจิตไม่สงบจิตไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นพพุทธเจ้าท่านจึงให้เราสงบระ ง, งับกิเลสภายในใจสงบมันไว้ซะก่อนหยุดมันไว้ซะก่อน คือท่านให้เราบริกรรมให้จิตสงบเพื่อให้เป็นสมถะคือให้สงบให้สมถะเอาไว้ให้สมาธิเอาไว้สงบระ ง, งับอะไรสงบระ ง, งับกิเกลสกิเลสที่มันดีดดิ้นอยู่ในหัวใจของเรามันพาดีดดิ้นไปเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสตามอำนาจของตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้หยุดจริงลนั้นซะก่อน เพื่อให้จิตของเราน่มีกำลังมีพลังบางกลุ่มเขาก็บอกว่าอย่าไปสมถะอย่าไปสมถะเสียเวลาเสียเวลาพิจารณาทางปัญญาตามรู้ตามรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสตามรู้โดยที่เราไม่มีกำลังเพียงพอเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าเราจะรู้ได้ไหมว่าไอ้พลังที่แสดงออกมาเนี่ย พลังที่แสดงออกมาเนี่ยเป็นพลังของตัณหาที่มันผลักดันออกมาในหัวใจของเราบางทีเราตามรู้รูปตามรู้เสียงตามไปตามไปขาดสติขาดสัพพัญญาแทนจะตามพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่เห็นแล้วพิจารณาไปพิจารณาไปกลายเป็นนิจจังกลายเป็นสุขขังกลายเป็นอัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาไปพิจารณาไปกลายเป็นสุภะขึ้นมาเพราะอะไรเพราะใจของเราไม่มีพลัง ที่ครูบาอาจารย์ปลูกฝังให้พวกเราเจริญสมถะเมื่อมีเจริญสมถะได้กำลังและให้เจริญวิปัสสนาจึงเป็นการถูกต้องที่สุดจึงเป็นการถูกต้องที่สุดครูบาอาจารย์ท่านทำแล้วท่านเข้าถึงธรรมแล้วท่านผ่านพ้นวิมุตติหลุดพ้นไปตามๆกันแล้วพวกเราไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเราได้ยินได้ฟังข่าวประกาศเขาพูดเสร็จแล้วเราก็อาจจะหันเถแล้วก็ทิ้งของครูบาอาจารย์ของเรา ซึ่งท่านปลูกฝังมาดีแล้วท่านทำได้ผลได้ได้ผลได้ผลได้อัดได้ทำเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของท่านอยู่แล้วเป็นประจักษ์พยานอยู่แล้วอย่าไปเชื่อตามที่เขาพูดแล้วให้เราทอดทิ้งไปหลงเพลินไปกับเขาง่ายๆนี่ต้องให้ใหระวังกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ทิ้งศินไม่ทิ้งสมาธิไม่ทิ้งปัญญาถ้าเราทิ้งสินทิ้งสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์แปดมันมันก็ไม่ครบละเหมือนอย่างก็ายาวสมถะยา ว, วิปัสนาเลยทิ้งสมาธิไปเลยถ้าทิ้งสมาธิแล้วเนี่ยได้อะไรเป็นหลักไม่มีอะไรเป็นหลักแล้วใจไม่มีกําลังแล้วถูกกิเลสตัณหาก่อกลีในหัวใจของเราอด้วยเหตุที่เราไม่มีกําลังพอมันก็ดึงไปหมด ดึไปเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยปรุงไปปรุงไปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดพิจารณาไปพิจารณาไปกลายเป็นสัญญาลมกิเลสสวมรอยเข้ามาก็ทําให้เรากลายกลายเป็นทํางานให้กับกิเลสทุกระยะทุกเวลาที่เราตั้งใจทําอย่างนี้เป็นการเจริญรอยตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอสินสมาธิปัญญาตามหลักที่ครูบาอาจารย์เราสอนหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นหลวงตา ท่านไม่เคยพูดบทใดบาทใดขัดกับหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักในปัตรไตรปิฎกไม่มีอไม่มีอแต่สำหรับคนที่เขา ย, ยึดหลักปัตรไตรปิฎกยึดหลักปัตรไตรปิฎกเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านเขียนว่าลูกปู้มั่นท่านเขียนประวัลลูกผู้มั่นว่าลูกปู้มั่นอ่ะท่านท่านภาวนาอยู่ที่ถ้าไหนไม่รู้ทางเหนือนั่นอ่ะ มีพระอาหารหันต์มาแสดงทำมาสนทนาธรรมมาแสดงรำมาบอกมาสอนให้ท่านฟังประจําเสร็จแล้วเพื่อนก็นเอามาโต้แย้งว่าอ่าไม่มีในหลักพระไตรไปิฎกไม่มีในหลักพระไตรไปิฎกพระไ ต, ตรพระไตรปิฎกก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนพวกเราก็เท่ากับใบไม้ในกํามื อ, อเมื่อจิตของท่านเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยใบไม้นอกกํามือท่านก็เห็น ใบไม้ในกํามือก็เป็นธรรมใบไม้อยู่นอกกํามือก็เป็นธรรมในเมื่อจิตท่านเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยท่านก็เห็นทั้งหมดแหละผู้ที่เข้าถึงธรรมนับตั้งแต่นุ่นน่ะเข้าถึงกระแสพ ร, ระโสดาบันกระแสพ ร, ระโสดาบันก็เหมือนกับจิตเข้าถึงกระแสรธรรมถ้าเราจะเที่ยวกันมันก็กระแสน้ําน้ําห้วยน้ําคลองที่มันไหลลงลงผสมในน้าเจ้าพระยา พอไหลลงไปสู่แม่น้ําเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพญ า, า, ามก็ไหลเอื่อยเอืเอเอไปเรื่อยๆนะครัเรียกว่าตกกระแสตกกระแสที่จะไหลไปสู่หมหาสมุทรไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไม่มีหยุดไหลไปเรื่อยไปเรือยกถึงหมหาสมุทรจนได้จิตที่มีความนึกคิดอจิตที่มามีความนึกคิดเป็นปฏิปักษ์กับกิเลสถึงแม้ว่าเราจะมีความหลงอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสส่วนที่ละเอียดขึ้นไป แต่จิตของเราก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่ท่านเรียกว่าเห็นถูกเห็นชอบอเห็นถูกเห็นชอบตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ถ้าเราไม่เห็นถูกกิเลสมันก็หลอกเราหลอกให้เรายุดหลอกให้เราถือเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงธรรมก็คื อ, คอท่านสามารถเห็นกายสักทวะกายเห็นกายสักทวะกายไม่มีเราไม่มีไม่มีกายในจิตไม่มีจิตในกาย โดยละความนึกความคิดได้ว่าทำให้เกิดความเบาบางลงไปว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายกายไม่มีในเราเราไม่มีในกายแค่นี้ก็แค่นี้ก็คือความนึกคิดที่ถูกต้องตามหลักที่มันมีมันเปลี่ยนอยู่แล้วเรามาคิดดูร่างกายของเราเนี่ยเป็นกายเราจริงหรือเปล่าเราดูเราเกิดในท้องแม่เราเอาเลือกสกหยดไปเกิดไหมในท้องแม่อะพวกเราเกิดในท้องแม่ด้วยกันทุกคน อาศัยาธาตุของพ่อกับาธาตุของแม่ผสมกันพวกเราเอาเลือดสักหยดหนึ่งไปเกิดในท้องแม่หรือเปล่าไม่มีใครเอาเลือดสักหยดไปท้องแม่ไปเกิดในท้องแม่แต่เวลาเราออกมาทําไมเรายึดเหลือเกินอัด ต, ตาตัวตนเหลือเกินอะไรผ้ายึดเราดูซี่อะไรพ้ายึดนะกรรมทั้งหลายก็มากับจิตลงไปปฏิสนธิไปจับไปจองรู ป, ปธรรมอันนี้แล้วก็เจริญวัฒนาทา้าบรอ่า แล้วก็สังขารที่ไปเกี่ยวข้องกันแล้วขยับมาเรื่อยขยับมาเรื่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเรื่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยอยู่ในช่วงที่เจริญก็เจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยเห็นไหมเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนก็ออกมาพอออกมาแล้วอตอนยังไม่เริ่มรู้เรียงสาภาวะก็ยังไม่มีอะไรพอเริ่มรู้เรียงสาภาวะมาปก็เริ่มยึดถือตัวตนอัตตาตัวตนอะไรพายึดเราว่าอะไรพายึดก็ใจนั่นแหละพายึด อะไรมีอยู่ในใจจึงเป็นเหตุให้ใจยุดนั่นแหละคือสิ่งที่เคลือบแฝงมากับผู้รู้ของเราก็คื อ, คอกิเลสตัณหาในหัวใจของเรานะ่ะมันเคลือบแฝงมากับหัวใจของเรามันพายยุดคือเจ้าตัวตัณหานั่นแหล ะ, ะตัณหานี่ตัณห า, หาเท่ากับว่าเป็นเจ้าเป็นจอมของกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือกิเลสหรืออวิชชา หรือตันหานี่มันก็อันเดียวกันมันเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงมากับาธาตุรู้กับผู้รู้กับจิตของเรามันมีความอยากเป็นเกณฑ์เป็นประมาณของมัน อ, อยากอยากพอมาได้อัตภาพของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ออกไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปประสบพบเห็นอะไรมันก็เพลินไปกับนั้นเพลินไปกับนั้นเพลินไปกับสิ่งนั้นเพลินไปกับสิ่งนี้ เห็นความแปลกประหลาอาศัศจรรย์ที่เราออกมารู้ม า, มาเห็นมาอะไรไอะไรเนี่ยตัณหาเหล่านี้ก็แสดงความแสดงความต้องการไม่มีจบไม่มีขอบไม่มีเขตนี่เสียกว่ายยึดนะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เคเลือนแฝงมากับผู้รู้ของเราอันนี้เลยกลายเป็นต้นต่อทําให้เราทําให้เรายึดทําให้เราถือนี่นมันมากับจิตของเรามากับผู้รู้ของเรา เป็นความไม่บริสุทธิ์ของจิตของเราเราเกิดในท้องแม่พอเราออกมาแล้วจิตพาถือสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตก็คือกิเลสตัณหามันพามันพายึดมันพาถือนั่นอวิชชาหรือความหลงมันอยู่ในจิตของเรามันพายึดพาถือทีนี้ทําไงเราจะพิจรารณายัางไงเราถึงจะรู้เราถึงจะเข้าใจเราถึงจะตื่นเนื้อตื่นตัวท่านจึงให้เราพิจร า, าจรณ า, ราท่านจึงให้เราเภาวนายใจสงบ เมื่อใจสงบแล้วทั้งค่าพิจรารณาพิจารณาถึงที่มาที่ไปของมันที่มาของรู ป, ปรธรรมที่มาของอัตภาพร่างกายไอ้แค่เราพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาเนี่ก็จะเป็นกรุยหมายป้ายทางให้เราเข้าใจว่าสาเหตุการชิดการถือของเรามาอย่างไงกันแน่เราพิจารณานับตั้งแต่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปออกมาใหม่ๆจากท้องแม่ยย้อนเข้าไปในท้องแม่น่ะนะ ไปจนถึงนู้นหนึ่งวันครึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหรือวินาทีที่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่กับจิตลองไปถือปฏิสุทธิแป๊บเดียวตอนนั้นแล้วก็ดูดิมีตัวมีตนไมมตอนนั้นมีตัวมีตนไหมแล้วธาตุพ่อธาตุแม่มาผสมกันมาผสมได้ยังไงเราดูไปที่ดูไปที่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มาผสมกันในท้องแม่มาผสมกันได้ยังไง ดูไปที่ความอยากความอยากในใจของพ่อความอยากในใจของแม่มันเกี่ยวข้องกับตันหาไหมนี่หรือเราดูที่ตันหาตันหามันมากับาธาตรู้ของเราเพราะฉะนั้นความรู้ของพ่อของแม่ก็มีความอยากความอยากของพ่อของแม่เป็นปฏิกิริยาเป็นเหตุให้เราได้รูปธรรมในท้องแม่ในจังหวะ ในจังหวะที่ได้พอดีพอดีทําให้เราเจริญพอผสมกันแล้วก็กลายเป็นกองสังขารนี่กลายเป็นของสังขารสังขานี้เวลาเขาประกอบกันแล้วเขาจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เห็นไหมเขาเจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยตอนผสมกันทีแรกๆถ้าว่าเลขขนาดมองไม่เห็นเสร็จแล้วก็เขาก็ประกอบกันมาเรื่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยขยายขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้ออ เป็นปัญจสาขาอยูเจ็ดเดือนแปเดือนครบอวัยวะสาสบสองก็ออกมาไม่เคยเห็นหยุดนิ่งอยู่กับที่อยู่ในการที่เจริญเขาก็จะเจริญอยู่ในการที่เสื่อมเขาก็จะจะเสื่อมอือายุไหวที่เจริญเขาก็จะเจริญมาเรื่อยมาถึงตอนไหนอ่ะถึงจะเสื่อมจะเริ่มเสื่อมจะเริ่มหมดแรงจะเริ่มอ่อนแรงจะเริ่มเหี่ยวจะเริ่มราวๆเท่าไหร่ห้าสิบปีหรือหกสิบปีก็จะเริ่ม แก่ลงเริ่มแก่ลงกําลังวังชาก็แก่ลงเนื้อหนังมังสัง ก, ก็เริ่มเหียเห่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงนี่คือวัยเจริญขึ้นแล้วก็วัยเสื่อมลงนี่สังขารเหล่านี้มันมีอยู่ตามตามภาวะของมันอ่ามีอยู่ตามภาวะของมันซึ่งท่านท่านว่าเอ า, าธาตุเก่าที่มีอยู่มาเกิดาธาตุดินาธาตุน้ําธาตุลมาธาตุไฟมาเกิดมาจากไหนก็มาจากพ่อมาจากแม่าธาตุพ่อาธาตุแม่ก็คือาธาตุดินน้ําลมไฟมาประกอบกัน อันนี้คือที่เกิดความการเกิดของรูปปัฏฐำมการเกิดของรูปปรัรฐมแล้วก็ที่สัมพันธ์คือน า, นามันทําเข้าไปจับจองนี่มันเกี่ยวข้องกันมาอยู่อย่างนี้เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เพื่อเป็นการทําลายอัตตาตัวตนของเราท่านจึงให้ภาวนาให้จิตได้รับความสงบเมื่อสงบแล้วหัดพิจารณาอยู่อย่างนี้พิจารณาว่าร่างกายเป็นเราเราเป็นกายกายเป็นเราเป็นเราจริงหรือเป็นเราจริงหรือร้ายมาอยู่คงที่มันก็คงที่อยู่ไม่ได้ มันเป็นไปตามลักษณะของมันที่ท่านเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนิจจังทุกขังนี่เป็นทางเดินของไตรลักษณ์เป็นทางเดินของสังขารสังขารคือร่างกายของเราสังขารอยู่รอบข้างตัวเราเป็นวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามไม่มีสังขารใดแม้เม็ดทินเม็ดรายที่จะคงที่อยู่กับที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจัง ตามภาวะของมันให้ของที่อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาเป็นไปตามใจหวังได้พระเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเราดูให้เห็นง่ายๆเข้าใจง่ายๆเป็นกรีหมายป้ายทางเพื่อที่จะอามาพิจารณาเอาจิตที่สงบนั่นแหละมาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี่เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นก้อนเป็นแท่งเพราะสิ่งเหล่านี้มาเกอบมากุมกัน มาเกาะมา ก, มากุมกันด้วยอํานาจของกรรมนี่ถ้าให้พิจารณาอย่างนี้นะอาศัยจิตที่สงบแค่จิตสงบก็ทําให้เรามีความสุขทําให้เราอิ่มเอิบล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่จะเพิ่มพูนทวีคูณคุณสมบัติให้กับจิตของเราทั้งนั้ น, นวิธีนี้เป็นวิธีที่ทําให้เราเข้าถึงหลักความจริงเพราะด้วยเหตุที่เราไม่เข้าถึงหลักความจริงจึงทําให้เรานี่รับทุกอยู่ร่ําไป เรารับทุกเพราะอะไรเรารับทุกเพราะเราเกณฑ์ให้มันเป็นไปตามใจหวังของเราเราดูสิ่งที่เรามีความทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยความทุกข์กับเรื่องอะไรบ้างถ้าเราประมวลลงไปแล้วมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการผิดหวังทั้งนั้นหวังลูกหวังว่าลูกเราดีๆไปโรงเรียนดีๆอ้าวไปไปม า, มาอา้าวไปจิตยาแล้วแน่ผิดหวังแล้วทุกข์ลวหวังว่าเราลงทุนคราวนี้เราลงทุนคราวนี้จะได้เท่านั้นจะได้เท่านี้น อปมาทุกข์อีกแล้วผิดหวังอีกแล้วเพื่อนของเราเคยไปมหาสู่กันดีๆไปไ ป, ปมากันดีอา้าวบิดเบี้ยเราอีกแล้วผิดหวังอีกแล้วเคยรับร่างกายของเราอย่างอ้วนอิมน่มหนำสำราญมีกําลังวังชายอย่างดีดีอยู่สุขสบายไปไ ป, ไปมาไปตรวจไปเช็คไปเจอเอา้าวเจอโรคร้ายอีกแล้วผิดหวังอีกแล้วอย่าให้สุขสบายอยากให้ร่างกายของเรานี้ อ่าเป็นหนุ่มเป็นแน่นมีกำลังวัางชาติ ด, ดีอยู่ไปก็แก่งอมไปแก่งอมไปแก่งอมไปด้วยแก่ผิดหวังอีกแล้วอ่าเห็นคนนั้นอยู่ดีๆก็อา้าวเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นฝูงตายไปแล้วผิดหวังอีกแล้วทุกข์อีกแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเกิดขึ้นจากความผิดหวังเกือบทั้งนั้นเลยด้วยเหตุที่เราคาดหวังท่านบอกว่าหวังสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นอะ อัตภาพร่างกายของเราไม่เป็นไปตามใจหวังไม่เป็นไปตามการบังคับบัญชาในหัวใจของเราท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาถ้ า, าเป็นอัตตาเราจะต้องบังคับบัญชาได้จะต้องไปจะต้องเป็นไปตามใจหวังของเราได้แต่ด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นไปตามลักษณะกิริยาการของมันคือไม่คงที่แล้วก็เปลี่ยนไปท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาแต่มันละเอียดลึกซึ้งนะ เราจะต้องทำจิตให้ได้รับความสงบจิตของเราถึงจะคมปัญญาของเรามันถึงจะคมพอที่จะพิจารณาแล้วก็จิตพอที่จะยอมรับเพือ่อจิตของเราเนี่ยจะเข้าถึงและจะยอมรับว่าโอเป็นอย่างนี้จริงๆอ๋อเป็นอย่างนี้จริงๆนี่พวกเราตั้งอกตั้งใจแล้วเราไปตรงนี้เดินไปตามเส้นสายของตรงนี้พระครูบาอาจารย์ท่านสอนพระรามาตรงนี้ เราฟังถ้าใครเคยฟังประวัติที่อาจารย์วิริยังท่านเขียนเราฟังประวัติที่ล้งตาท่านเขียนประวัติหลวงปู่หลวงปู่มั่นทนี่ก็ถือว่ากว้างขวางแต่เป็นลักษณะการเขียนแบบปราดแต่ถ้าหากเราไปฟังประวัติที่อาจารย์วิริยังท่านเขียนท่านจะเขียนกว้างขวางมากการที่หลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นเนี่ยปลุกฟังลูกสิทธ์ลูกหาทั้งทิศนูน้นทางเมืองเหนือทางอีสาน ทั้งภาคกลางท่านปลูกฝังตรงไหนตรงไหนตรงไหนท่านตามเขียนอ่าแล้วก็เป็นการปลูกฝังให้พระเจ้าประสงค์นี่ตีแผ่ประเยนวัดป่าทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมีขึ้นอ่าหมดทั้งอีสานเนี่ยนะนุ่นนับตั้งแต่นับตั้งแต่ น, ตแตนุ่นเมืองเลยอุบบเมืองเลยไปจนถึงนุน่นอุดรสกนไปจนถึงอุบบนหลวงปู่มันท่านเดินกรรมฐานทั้งหมดนี่เป็นการวางรกราก เพื่อบอกว่าสอนกรรมฐานกรรมฐานให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังมาจนถึงมามาได้ถือประพฤติได้ยี่ยงอย่างถือประพฤติธปฏิบัติมาจนทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นความสําคัญว่าครูบาอาจารย์เราให้ความสําคัญเกี่ยวกับภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังพวกเราก็ถือประพฤติถือปฏิบัติถือว่าเป็นโชคดีเราไม่ได้มาศึกษาเฉยๆเราเอา การศึกษานั่นอ่าประหยัดมาแล้วเราก็ตั้งใจมาปฏิบัติปฏิบัติเราก็ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานอเราได้ยินได้ฟังเราก็เอามาทําทําจนได้ผลอืทำเรื่อยๆทาบ่อยๆครั้งเข้าเหมือนอย่างไม่ข่าวที่ิ้นมาพูดว่าเพ้นภาวนากำหนดปั๊เพื่อสงบกำหนดภั๊บพ้นก็สงบ ก, กายเบาจิตเบา กายเบาจิตเบาหามันสงบมาให้กำลังใจก็ออกมาดูธาตุดูขันของเรานี่แหละพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาพิจารณากลับไปพิจารณากลับมาจนกว่าจะมีผลแปลกปรากลาดอัศจรรย์เกิดขึ้นในหัวใจของเราจากนั้นแล้วเราก็จะค่อยตั้งแลอตั้งตัวของเราไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆจะมีผลมีอนิสง์คือได้รับความสงบและได้รับความรอบรู้ เกี่ยวกับเรื่องปัญญาเนี่ยวันนี้เราพูดไปเลยหมดเวลาไปเยอะแยะแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคนตั้งประเด็นให้มันก็พูดไปเรื่อยอตั้งไม่มีคนตั้งประเด็นให้ก็พูดไปเรื่อยตามตามหลักอันนี้ตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญานี่แหล ะ, ะเพราะฉะนั้นเวลาก็จะหมดแล้วเราก็พูดกันแค่นี้ พอมั่งแล้วก็ใครสงสัยอะไรก็คุยกันตั้งประเด็นขึ้นมาเพื่อเราได้พูดให้ให้ให้แก้ข้องใจใครมีข้องใจอะไรพอจะคุยกันได้เราก็คุยพูดไปก็พูดไปอย่างนี้แหละอ้ า, อาแกนี้ก่อน บ้านของลเตรหมูเนี่ยพ้นมาปะกะถามอืมวันนี้ขึ้นสวรรค์แล้วสามารถไปนรกเลยได้ได้ไหมนะขึ้นสวรรค์ตกจากสวรรค์ไปนรกเลยก็มีจากสวรรค์มาลงมางมาเกิดในมนุษย์ก็มีอ่อ่ า, อาภูมิของจิตเนี่ยเราดูไปที่จิตของเรานึกคิดอยู่ทุกระยะทุกเวลา เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โมโหโศโสเดี๋ยวความหลงครอบงำนั่นแหละพบภูมิของจิตมันก็เปลี่ยนไปตามนั้นพบภูมิของจิตพบภูมิของจิตมันก็เปลี่ยนไปตามการยึดการถือของจิตนั่นแหละอุปาทานคือการยึดการถืออืมอมันสำคัญว่าพบภูมิของมนุษย์เราเนี่ยเป็นพบภูมิที่สามารถทอะไรก็ได้ อย่างที่ม่ชีแก้วท่นว่าเนี่ยเป็นเป็นพบเป็นภูมิที่หาอะไรก็ได้เอามนุษย์สมบัติก็ได้เอาสวรรค์สมบัติก็ได้สามารถทำได้แล้วก็ตั้งใจทำให้ได้นิพพานสมบัติก็ก็สามารถทำได้ถ้าเราปล่อยตัวตามสบายมนุษย์สมบัติเราก็ไม่เอาแล้วอ ทำตามอำนาจกิเลสตัณหาสารพัดจิตมันก็ตกต่ำเป็นสัตว์ไรชาติทั้งๆที่เราเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละอ่าเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกทั้งๆ ท, ท, ที่เราเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละตกนรกตกอาวีจีทั้งๆ ท, ท, ที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละดูไปที่ขณะของจิตของเราที่มันทํางานเพระาะฉะนั้นพวกเราตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติธรรมจึงได้เปรียบอืม มีการสัมบกสังวรมีการสัมรวมมีการระมัดระวังการสังวรการสัมรวมการระมัดระวังจึงเป็นความเพียรในตัวภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธอย่างเดียวเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวเนี่ยสังวรประทานก็ได้ประหานประทานก็ได้ สังวรประทานหมายความว่ากิเลสไม่เกิดกิเลสไม่เกิดในขณะที่เราทำาจให้สงบนั่นกิเลสไม่เกิดและกิเลสเก่าที่ที่เคยเกิดแล้วมีแล้วเราก็จะค่อยเริ่มรู้เริ่มรู้จักและสามารถเอาออกได้ประทานทั้งสี่ที่เส้นพูดเอาไว้เนี่ยสังวรประทานประหานประทานสังวรคือระวังให้บาปเกิดขึ้นในส้นดานบาปเก่าที่มีอยู่แล้วท่านให้พยายามละ สังวรประทานประาปหารประทานภาวนาประทานอย่างเดียวเนี่ยสังวรประทานถูกระงับไปในตัวประหารประทานก็ถูกระงับไปในตัวภาวนาอย่างเดียวอนุรักษคะอนุรักษณาประทานก็พลอยเจริญไปในตัวด้วยแค่เราทํางานอย่างเดียวมันได้ทั้งสี่ได้ทั้งสี่อย่างนะนี่คือความเพียรความเพียรอันนี้เราเอาไปประกอบ ภารกิจการงานข้างนอกทางโลกเราก็ได้อืเราเอามาประกอบความเพียรข้างในเพื่อเจริญมรรคเจริญผลก็ดีก็ได้ก็ดีใครจับตรงนี้ได้ก็นั่นแหละได้เครื่องไม้เครื่องมือติดแนบอยู่กับตัวเอา้าคิดออกแล้วยังไม่ไว้หน้ามาหลังแหละ